ทางเทศบาลสำนักอาจารย์แห่งเดชณนครสัมพันธ์โยกลุ่มอบรมคณะมโนและคณะบู้รับเลี้ยงนักศึกษาในต่างในวันที่7พฤษภาคมพศ2571ห้าสามาโอ้ยไม่ติรู้ได้ไม่ติดรู้ดีครับใจั่เป็นทาถูกต้อง ไมนนสามารถยาาเรยนนเพราะไมา่มีความรู้ต่อัวตอนนี้เมื่อเข้ามาถึงตายแล้วาต่เปี่เหตุให้มีความรู้ต่อัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนคนที่อยู่ในบ้านเงียบในเรื่องนีจากบ้านไปที่ไหนใารเข้ามาในบ้านยอมตัมาไม่หยิบให้ใครทั้งคนดู<ๆ>คน เ, เลวเลวได้ที่ไหนทำงานได้ ระยน่น้าที่ไอเกี <NS Fit vein> ่ยวกับเราเรื่อนข้าวด้หมดถ้าเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านเนี่ยจะมีใครมาเราก็ุีแม่พิจถตรมาขโมยของเป็นเงเหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะกล้โดยว่าของนั้นกลเป็นผู้ขโมยไปเรื่องของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนการเหนทำมาบางนะครับบางทีมันเหมือนขีหมาย เ้อี่างได้ติดใจด้วยคารู้ที่ย้อนทํามาติดตัวนี้ให้แต่ใจต้อมให้สถิตเปลี่ยนร่างกอันดาเพื่อกลางนี่คามรู้ในตัวก็แฝงกายแทนทัศนีย์จิตกระติดเปนเรื่องยาวอะไรก็ไม่ถามข้าใจดูรู้สกดวงตาเปิดเป็นผลที่ทำอยู่ตอนขึ้นมา แลย้อนทำมาคัดใจี่ใดทมาทกขทำมาจะทราเลยว่าเราปุกข์ตอนที่ทราสหตก็เหตุใดใจจึงไปกับปัหาผลปรากฏเป็นยี่สิอใจไม่ดีกับตัวแล้วพอมีทางจะทราบนะนี่คือความเคลื่อนไหวไปมาข้งกายก็สรางความเคลื่อนไหวไปมาของจิดทีคิดไปมาอารมณ์ต่าง ประกอบธาตุเนื่อทําความระ ว, ว, วังรักษาอยู่คนนี้เสมอไปใจก็ชูระได้รับการบํารุงจากสติดูความระมัดระวังสมบูรณ์สติตึงเป็นผู้ระมัดระวังครอบคองได้รับการบํารุงเึ่นเดียวกันแต่ใจตรนขึ้นมีสติติดต่อจิตใจที่เป็นใจสำเร็จสติทางอันต่างได้รับการบํารุง ว่ามันจะมีกำลงความสามารถึ้นเป็นระดับเด่นเดียวกับเด็กคือรับการบำรงจากอาหารที่หมูเริ่มเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เต้นอะไรทั้งคินใังิตก็มีกำงเติบโตแต่มันด้เติบโตในลักษณะไม่เส่อมด้านทางทางปัญเติมขึ้น้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเจ้หน่ดีเที่อจิตจ พอมีทางที่จะดัแดแปลงแฝงไขในสิ่งที่บอกต่อและมีทางที่จะบำเพ็ญจิตใจของตนให้เต็มไปในแนวทางแห่งธรรมะนั้นดันั้นกา ร, รส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจ ะ, นะแสดงถึงเรื่องอดีตหือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสักตัวใดก็ตาม การจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามและแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งพุชยุทธ์พุชนามจะต้องเป็นไปนั้นนั้นอย่างนั้นๆก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นพุ้เพื่ะเพื่อนได้ไปอนาคตป ร, รากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมมีคือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผลเป็นการบำเพ็ญจิตใจของเราให้มีความเตืนอนให้ทามขึ้นไปน ความเติบโตของใจก็ดีความรู้ทวามฉลาสามารถที่จะแตะไขดับแปลงตนให้ไปผิดทางหน้าและสามารถที่จะกดเพื่อความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานกาได้จนมันหนักขนาดด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งไปฝ่ายภายนอกก็เชื่อเป็นการบำรุงจิตใจให้สมด้วยความสัมผัสการทำการสัมผัส แห่ธรรมทุกท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเรายอ่อมเป็นโทษที่จะเรล่าจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นติดกันเช่นเดียวกับยาบมาัมบัตโตษครับสิ่งที่แสดงต่อโลกย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แฉลงกับโลกน่าจะมีน้อยกพราแสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อ ให้ทราบว่านี่คือของแสลททำให้โรคของเราตั้โรคไปโดยถ้แสนมากตนเองไม่มีใจใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขพยายามมีทางจะเจริญขึ้โนโดยลำดับโประกำรค ม, ม, มากยาเป็นสิ่งที่บาบัดโรคเมื่อถูกระโรคคนไข้พยายามบาบัมมดตนงด้วยยาที่ถูกกระเพเสมอ โรคก็ยมมีวันสงบนงไปได้สนญหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเชื่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์อารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีที่เกือกอกลบมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ทัดแสดงไป ให้เกิดความสมายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศยุดในขณะที่ฟังเทศย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนากรรมุธธรรมกรรมฐานอยู่โดยลำทางตนเอง กับเรานั่งฟังโทศซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้นคิตมีความจดจอ่อรอคํารู้จักธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติ จิตมีหน้าท <Yeah. S 1> so ah ี és, umm ่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ตรวจ่อรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะพิทานแสดงไปมีความยําคัญเกี่ยวเนื่องทําให้เรู้อยู่ทุกระยะกะยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสานั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้ เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความตุดต่อันไม่ขาดวักขาดตอนใจก็กลกาเป็นความเฉลีขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับภาพจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดวักขาดตอนนั่นแหละผมจึงจปรากฏเป็นความเฉลี่ยขึ้นมาในเวลาบามส่วนเทาถ้าหุดขาดวักขาดตอนไม่รับภาพ ไปตามระยะแห่งธรรมะที่ทางแสดง น, นั่นคือว่าการบำรุงจิตใจได้า่าดไปเป็นตอนๆผลที่จะปรากฏไม่่อใจสมบูรณ์ตามไม่พอใจสมบูร์เพราะถูกหักลัขอาขออกจิต ส, สงบได้ด้วยการตังคําสงบได้โดยวิธีที่กล่าวเการอบรมภาวนาโดยลําทางตนเอง หยุดยัมมีทางที่จะเลี่รอดจากไปสิบอารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมในรรมเวลาที่เฉลยเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยะจะปรากฏเป็นความสนันฑขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่น กำหนดทุทโธคำว่าพุโทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดชีวิหรือกําหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้ า, เ ข, าเข้าออก อ, อกโดยจิตต่อกันเสมอทั้งสองบทแห่งคํามที่กล่าวมัน เป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงกเช่นเดียวกันนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เสลอในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นเท่านั้น นี่คือว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะะยๆจงปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของกฎคำว่าเต็มเต็มที่ในขั้นต้นๆในขา้นกลางตนในขัานสิทแห่งสมาธิขั้ว เพราะคาว่าสมาธิมีหลายขั้นตามกําลังของจิตที่จะบำเค็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดข้อตางผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนข้อตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี่คือความสุขอันเกิดจากการบำเค็ญของเรา ผล ป, ประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปจัจจตังคือรู้จเพอใจคําว่าปจัจจตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะท่านสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียแต่หมายถึงทำเป็นขั้นขันของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลาดับลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความปุ้งพลาดแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมา ก็จักกับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความพุ่งสร้างที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จกักภาเป็นปัจจังขั้นหนึ่งแล้วของผี่ปฏิมายิย่งการบําเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลาดับต่ำเหมือนเงาตามตัวสนาม หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตมิสัยทังตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยแท้เดีว ย, ยดวยไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแสงอยู่ในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้นวน แต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือถูกเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เมื่อจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของระพอุตตรการ เป็นเหตุให้แสดงผลไม่ถึงปากธนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้รู้ประการหนึ่งแม่จะรู้ก็รู้ไปในธํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางผิดหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยหาะยอมเชื่อฟังเขาที่เป็นทางที่ให้เดินทางผิดรุดผิดไปเรื่อย จนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหุดยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องที่สุดด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแลว่วิธีที่จะที่สุดจิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้น สิ่งตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใดญของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หยุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันที เท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เต็นไปดีก้อนเมืองจากธรรมชาติที่รุนนี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้ลอยไปเสียเมื่อไรร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีทน้ำใจจริงเป็นสิ่งสำคัญต้งพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมด ที่เราปฏิบัติบํเพ็ญเมื่อสองเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจทั้งตนเองรู้วิธีทางเดินของของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความจเจริญรุ่งเรืองรู้ช่ำทองขึ้นไปเป็นลำหนัก จนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเทศไม่ว่าภายนอกภาย น, าน่นถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเม็ดหินเม็ดทรายเพาะตานังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกาวิทูเป็นผู้รู้แจ้งถึงนสิ่โลกนั่นในสาธาณะทั่วไปของ คุณสมบัติแห่งสามกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกวา้างแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสุนททั้งสองนั้นเสียสิ่นไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่อทวพันจิตใจแม่แต่น้อยเรียกว่าโลกกับวิถีรู้แจง้งถงจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้น เป็นอีกประเภทหนึ่งรู้สมบัติของภาษาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังภาษาดิบุตรที่มีในตําราว่าฝนตกทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นภาษาดิบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดรู้ผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้ยแม้แต่เม็ดเดียว นี่พูดถึงหนึ่งสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งๆ ท, ที่กขเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถรู้ทัศเทียมองค์สมเด็จพระพูมีามพาคเจ้าได้การรู้ทัด ถอยหลังก็ดีจะเลงยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนขระพุทธเจ้านั้นสามได้หมกเนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกมีทูในคุณสมบัติของขระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุี้ด้วย เมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตัวตรา ห, ห, หรือไต่ตรองสามารถนับผ่านได้หมดทุกขี้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณ ส, สมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิถีในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวัธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แจะมีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับผ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่ไมีค่าเคลื่อมด้วยส่วนสามวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิถีที่องค์เห็นความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วทั่วไปท่านจะเห็นก็าตามไม่เห็นก็าตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้น ท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตเป็นขันตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอาตาแผ่กระจายันหมดทั่วทั้งโลกธาตจะไม่มีสิ่งใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ ในองค์แห่งขันของท่านคือกองรูปเวชนาสัญญาทั้งขามีนักสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยใจตรายรักคือนิจังผู้ขังอัตตาฉันเลสภาพทั่วไปในตรโลกะถาเนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโบยหลักปัญญานี่แลที่เรียกว่าโลกะวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเทียงกันได้ทุกส่วน ในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วๆไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแสกจากกันแต่พูดทัเรื่อมไรลักษณ์ก็ดีแต่พูดทังงกกดด้งหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วๆไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่แค่นั้นนี่นเป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจญานย้อนหนัง ในเรื่องอดีตชาติจะได้ชักผีควบผีชาตินั้นนั้นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได น, น้อยมีความผิดแฝกกันเป็นรายๆกันแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพียนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ิตจาร้แล้วว่านะนั้นว่าเป็นจิตที่บริสุทธ ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ละเพราะปัจจุบันนี้เป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่ไดเรื่อที่ทําให้พาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนะจิต ท, ที่เป็นจิต ท, ที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้ อนาคตที่จะปรากฏเป็นพพเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดพกชาติในตัวเองเสร็จขิ้นแล้วถ้าผูดถึงเชื่อก็ได้ทำลายไปแล้วเชื่อที่ได้ให้เกิดเป็นติด ต, ต่อเกอะแขนงให้เป็นภกเป็นชาติต่อไปนั้นได้ผูกทำลายเส็จแล้วในใจดวงนี้บัตรนี้ใจตรงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้ว หมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทําให้เกิดแต่เจ็บตาได้อีกแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันไรที่จะสั่งสั้งสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อพบพว่อชาให้เป็นไปเพื่อความรักความชัางความกําหนับยินดีให้เป็นไปเพื่อความรุขหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วชงไว้แล้วซึ่งยินติคือความหุพดพตโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกัน ไม่ว่าสาวกองใด น, นับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองสุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปกกันในความบริสุดนี้และสามารถที่จะประกาศตัวได้ไดกระจักรใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับกำนาได้แก่ภพชาตความทุกข์ ความลบากที่ตามมากับพบกับชานนั้นจนถึงปัจจุบันก็ดีและพบชาติทั้งหน้าที่จะก่อทุกความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกกนดีในข่งสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้มีเป็นเรื่องความจริงของสาวกที่ไดรับจิตเส ม, มอภาคกันรูปเท่ากันนติเชื่อโยวปาปีโย ไม่มีสาวกองใดจะมีความยิ่งยอนกว่ากันในหลักธรรมชาตินันบแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดที่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกประจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่ชกปกโสมมังกธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอ่ะเส้นเดียวกับทองคำ นม้ยจะวางไว้ในตมในโคนกาา็ตามตมโคนก็เป็นตมโคนทองคำต้องเป็นทองคำหลักธรรมะจะไม่เชื่อมถึงกันไม่ชื่อก็เป็นคนละชื่อกันถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคําซึ่งเป็นด้านวัตถิก็เหมือนกับธาตุที่ลิ้วของทองคำธาตุที่ลิ้หมายถึงธาตุขันธ์ตัวร่ากายของเรา ทองคำหมายถึงทองคําธรรมชาติได้จะคําโบริสุทธิ์่จำเป็นนี่แหละบ่แห่งความสุขโสดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทางหลังไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดี ได้แจกความมีสุดถึงแต่ี้ทกนี้คือสุขพอดีไม่ยินไม่หยอ่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอค่ะปัจจุบันนี้เป็นดูชั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมาย ทำว่าปัจจุบั น, นอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี้เลยเป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการลิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั้นแหละธรรมชาตินี้ถ้าจะจะเทียบตามโลกโลก อ, อาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วย แต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่แม่ลูกก็พอจะเทียบกันได้หรอเหมือนอย่างอาวกาศถ้าเป็นอวกา ศ, าา ว, กาศว่างเปลา่าหมไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตนออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเคียงกันอยู่าตุิงกันอยู่ ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัวสมุตินั้นธรามวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าทําไงไ่นอีกนั่นการจริงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูด พราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อํานวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนีแหลพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนั้นสาวกอรหันท่านอยู่อย่างนั้นเมื่อนิพพานไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุทันยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่ได้อยู่แบบเราเราท่านท่านที่มีส ม, มุดห้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเหยือเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลา เดือนปีนาทีโมงอยู่กันนะท่านไม่มีอื่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างดูในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าทำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยกันทุบดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเรียลไทมยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เร็วตาทม โดยตัวเองไม่นำํำพาแอบต่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางาต่ำเสมอต่ำเท่าไร่ยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกําลังความสามารถนี้ชื่อว่าดําเนินตามเนีทางของพระพุทธเจา้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามสเสด็จ ท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันครุ่งเพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินไปแล้วและได้ผลมาไปเลยเราดําเนินตามหลักขั้งสวขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็ชื่อไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพร ะ, พระองค์ได้รับชั้นใดสวขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดแต่ต่างกันนี้แต่นเ น, นอะ นั้นจึงเป็นที่ภาคภ er hmm? like to ูมิใจสําหรับเราที่ได้เกิดมาในภพพระพุทธศาสนาและได้ชนะเวลาเวลามืดเงื้อชีวิตของเราพครีสําหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสมองค์พระรัตนตรัยสวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้วว่าเป็นบุญบุญลเป็นพระอํานาจศาสนาของเราอย่างนี้จึงขอขอบคุณในอเมนุสงานภาวนทั้งหลายทุกทุกท่านและขอฤทธิธรรมเทศนาเป็นงครั้ง